สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทยิยพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในพระธรรมหนึ่งพงกษบทที่ย์บทที่22ข้อที่29เราจะอ่านจนถึงข้อที่40ครับโปรดฟังพระชนะของพระเจ้าดังนั้นกษัตริย์อาหับแห่งอิสราเอลและกษัตริย์เยโฮชาฟัดแห่งยูดาจึงเฉดดไปยังราโมทกิเลอดัด กษัตริย์อิสราเอลตรัสกับเยโฮชาฟัสว่าข้าพเจ้าจะปลอมตัวไปออกรบส่วนท่านแต่งเครื่องทรงกษัตริย์ของท่านเถิดแล้วกษัตริย์อิสราเอลก็ทรงปลอมพระองค์และเสเ็จออกรบฝ่ายกษัตริย์อารัมได้ท่งบัญชาผู้บัญชาการรบสาบ32คนของพระองค์ว่าอย่าต่อสู้กับใครไม่ว่าผู้ใหญ่หรือผู้น้อย แต่จงต่อสู้กับกษัตริย์อิสราเอลเพียงองค์เดียวเท่านั้นเมื่อผู้บัญชาการรถรบเหล่านั้นเห็นเยโฮชาฟัตพวกเขาก็คิดว่านี่เป็นกษัตริย์อิสราเอลแน่ๆจึงหันมาโจมตีแต่เมื่อเยโฮชาฟัตร้รองตะโกนออกมาผู้บัญชาการรถรบเหล่านั้นเห็นว่าไม่ใช่กษัตริย์อิสราเอลก็เลิกไล่ล่าพระองค์แต่มีคนหนึ่งยิงธนูสุ่มไป ถูกกษัตริย์อิสราเอลตรงช่วงรอยต่อของเสื้อกรอกพระองค์จึงตรัสกับพลทหารว่าจงกลับรถพาเราออกจากสนามรบเราบาดเจ็บแล้วสงครามดำเนินไปอย่างดุเดือดตลอดทั้งวันกษัตริย์ทรงประคองตัวไว้ในรถม้าศึกให้ประจันหน้ากับชาวอารัมพระโลหิต จ, จากบาดแผลไหลนองพื้นรถ คั้นตกเย็นก็สิ้นพระชนขณะที่ดวงอาทิตย์กำลังลับไปมีเสียงร้องบอกไปทั่วกองทัพว่าทุกคนกลับบ้านเมืองของตนเถิดดังนั้นกษัตริย์อาหับก็สิ้นพระชนและพระสบถูกนำกลับมาฝังไว้ที่สมาเรียเมื่อพวกเขาล้างรถม้าศึกที่สะในสมาเรีย ซึ่งพวกหญิงโสเพณีมาอาบน้ำชุนักก็มาเลียพระโรหิตของกษัตริย์ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงลั่นวาจาไว้แล้วเหตุการณ์อื่นๆในรัชการของอาหับพระราชกิจทุกอย่างพระราชวังที่ทรงสร้างและตกแต่งด้วยงาช้างและเมืองต่างๆที่ทรงเสริมปราการมีบันทึกไว้ในจดหมายเหตุแห่งกษัตริย์อิสราเอลมิเช่หรือ นาับทรงร่วงรับไปอยู่กับบรรพบุรุษและอาหัศยาโอรสของพระองค์ขึ้นของราชแทนพี่น้งครับสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับมีคายาซึ่งเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นประกาศศพเป็นผู้พยากรณ์ของพระเจ้าได้พยากรณ์ว่าหากฝ่าพระบาทกลับมาอย่างปลอดภัยก็แสดงว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ตรัสผ่านเข้าพระเจ้า นั่นคือสิ่งที่มีขายาประกาศไว้หลังจากที่มีขายานั้นออกมารับใช้พระเจ้าพูดในสิ่งที่พระเจ้าให้พูดแล้วถูกกษัตริย์อาหับนั้นจับตัวไปหาอารมน์ผู้ว่าการเมืองและให้ขังมีคายาไว้ในคุกรับให้กินแต่ขนมปังกับน้ําอาหับนั้นคิดว่าเขาจะกลับมาอย่างปลอดภัยแน่แต่หารู้ไม่ว่า ในที่สุดนั้นอาหับถูกสังหารที่ศึกสงครามที่ราโมอดกิเลอาดราโมอดกิเลออาดนั้นก็คือสนามรบเป็นชื่อเมืองครับที่เขาจะบุกไปโจนตีเอาคืนมาเพราะว่าราโมอดกิเลอาดนั้นได้เคยเป็นของอิสราเอลมาก่อนครั้งนี้มีพันธมิตรร่วมรบก็คือเยโฮชาฟัดแห่งยูดาเยโฮชาฟัดนั้น ก็ไปกับอาหับกับแต่งทัพไปด้วยกันเลยพี่น้องครับอาหับนั้นบอกกับเยโอชาฟัดว่าเข้าพระเจ้าจะปลอมตัวออกไปออกรบส่วนท่านนั้นก็แต่งให้เป็นกษัตริย์เลยเพื่อที่จะเสด็จออกรบปรากฏว่ากษัตริย์าอารามนั้นได้บัญชา32คนซึ่งเป็นทหารเอกของเขาบอกว่าอย่าต่อสู้กับใครแต่จงต่อสู้กับกษัตริย์อิสราเอลพวกเขาก็มามารุมมาตุ้ม เยโอชาฟัดครับผิดตัวครับแต่เมื่อเยโอชาฟัดร้องตะโกนออกมาพวกเขารู้ว่านี่ไม่ใช่อหับจะแล้วแต่ด้วยน้ำพรไทยของพระเจ้าและคำพยากรณ์ที่กล่าวไปแล้วจากคนของพระเจ้าว่าอาหับจะมีชีวิตรอดกลับมาก่อหาใหม่พระอภิษฐรรก็บรรยายว่าเขาตายด้วยยังไง พระพีบอกว่ามีคนหนึ่งยิงธนูสุ่มไปสุ่มไปก็คือเดาวมั่วๆไปนะครับแล้วลูกธนูเนี่ยมันก็ไปโดนกษัตริย์อิสราเอลก็คืออาหับนี่ยแหละครับตรงช่วงรอยต่อของเสื้อกลอะและพระองค์ก็บาดเจ็บครับสงครามก็ดำเนินไปอย่างดุเดือดตลอดทั้งวันกษัตริย์ก็ประคองตัวไว้ในรถม้า ให้ประจันหน้ากับชาวอารัมโลหิตก็ไหลออกมาเรื่อยๆจนหมดตัวเลือดซึมออกเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้รับการเยียวยาบาบัดพูดง่ายก็คือว่าเลือดนั้นก็ไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งหมดตัวในที่สุดเมื่อสิ้นพระชนกองทัพก็แตกสลายครับอาหับสิ้นพระชน พระศบก็ถูกนำมาฝังไว้ที่สมารีเมื่อพวกเขาลางรถมาศึกที่สมารีชุนักกมเรียรพระโลหิตของกษัตริย์ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงลั่นวาจาไว้แล้วนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับกษัตริย์อาหับครับอาหับนั้นคิดว่าตนสามารถควบคุมสถานการณ์ได้จึงปลอมตัว อาจคิดว่าการปลอมตัวนี้จะหันเหความสนใจไปจากตัวเขาและลดโอกาสที่เขาจะตายลดโอกาสที่คํำทานายของมีคายาจะสําเร็จกษัตริย์ผู้รักคำโกหกรักคําทํานายที่เทียมเท็จรักของเกคิดว่าตัวเองจะหนีความจริงได้ด้วยการใช้ชีวิตแบบเกอเกอยู่กับโลกมายาที่หลอกลวงกันมาเราเห็น3มขั้นตอนนะครับว่าหนึ่ง เขาฟังผู้เผยโพชนะเกเก 2. ตัวเขาเองกษัตริย์อาหาบปลอมตัวนะครับ 3. เขาก็ดันให้เยโชาฟตัตซึ่งเป็นกษัตริย์ยูดานน้นแต่งตัวทรงเครื่องเป็นกษัตริย์ใหญ่เลยนะครับเพื่อที่จะล่อเป้าพี่น้องครับเมื่อเป็นเช่นนั้นอะไรเกิดขึ้นครับจอมกษัตริย์ที่อยู่บนสวรรค์คือองค์พระเวนเจ้าเป็นผู้เล็งธนูครับ ถามว่าทําไมเป็นผู้เล็งธนูครับก็คือเล็งผ่านการยิงสุ่มของพวกทหารธรรมดาธรรมดาฐานธรรมดาธรรมดานั้นยิงสุ่มไปเรื่อยเยิงสุ่มไปเรื่อยๆพี่น้องครับเราจะเห็นว่าอาหับนั้นไม่อาจหลบหนีการพิพากษาของพระเจ้าไปได้กษัตริย์อารัมส่งผู้บัญชาการรบที่มีความสามารถที่สุด 32คนมาเพื่อที่จะฆ่าอาหับโดยเฉพาะอาหับพยายามปลอมตัวเพราะคิดว่าจะหลบหนีได้แต่คนที่ยิงธนูสุ่มไปนั้นถูกอาหับขณะที่รถมาศกไล่ตามกษัตริย์ผิดองค์คือเยวชาวฟัตอาหับนั้นช่างโง่เขลาที่คิดว่าเขาจะรอดได้โดยการปลอมตัว พี่น้องครับบางครั้งเราจะเห็นนะครับว่าคนพยายามหนีความจริงโดยการปลอมตัวเปลี่ยนงานย้ายที่อยู่เปลี่ยนโบสถ์แม้กระทั่งเปลี่ยนคู่ครองแต่พระเจ้าทรงดูที่แรงจูงใจของเราแต่ละคนไม่ว่าการปลอมตัวแบบใดนั่นก็ไร้ประโยชน์ทั้งสิ้นอับตายโดยดูเหมือนจะเป็นความบังเอิญนะครับซึ่งมันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลย ลูกธนูที่เกิดจากการเดาสุ่มของพลธนูยิงออกมาก็ไปเสียบเอาเข้าที่ร่างกายของกษัตริย์อาหับก็คือตรงช่วงช่องว่างระหว่างเกรดของเสือ้อกะครับพระมพีใ ช, ช้คาว่ารอยต่อของเสือ้อกะไม่มีใครรู้ครับช่วงไหนที่เป็นรอยต่อของเสือ้อกะหรือเกรดของเสือ้อกะเพราะว่า ของเชือกเกาะนั้นก็มีหลายเกตครับมันย้อนเก็ดกลับเข้าไปโดนอันนี้เป็นโอกาสที่น้อยมากๆที่กษัตริย์นั้นจะตายด้วยวิธีนี้แต่มันเป็นไปแล้วครับนั่นคือสิ่งที่ผมได้บอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ยิงธนูดอกนี้เองครับก็คือยิงผ่านพนธนูที่ยิงสุ่มๆไปพี่น้องครับจะเห็นได้ว่าถ้าเป็น สิ่งที่พระเจ้าจะทำมนุษย์ไม่มีทางหรอกครับที่จะหลีกเลี่ยงได้มนุษย์ไม่มีทางที่จะยับยั้งได้แม้ว่ากษัตริย์อาหับจะปลอมตัวแม้ว่าจะมีตัวปลอมกษัตริย์เยโฮชาฟัดนะครับดันเยโฮชาฟัดขึ้นหน้าเพื่อให้เขาคิดว่าเป็นกษัตริย์อาหับครับและคิดว่าตัวเองนั้นจะรอดได้ แต่ธนูที่มาจากไหนไม่รู้ซึ่งเป็นธนูของพระเจ้ามายิงถูกตัวและถ้ายิงถูกตัวได้รับการผสมพยาบาลที่ดีก็คงไม่ตายแต่พระอภีบรรยายว่าเขาบาดเจ็บและก็ค่อยๆตายไปค่อยๆหมดแรงเลือดไหลจนกระทั่งในที่สุดเมื่อเอารถลบ ไปล้างสุนั ก, กมาเลียกินเลือดตามคำพยากรณ์ที่พระเจ้าได้บอกเอาไว้พี่น้องครับนี่เป็นเรื่องที่อ่านแล้วเนี่ยพวกเราที่เป็นคริสเตียนก็อาจจะบอกว่าอืมสะใจมากสมนำหน้าแต่พี่น้องครับมันอาจจะเหมือนกับชีวิตของใครบางคนของเราที่เป็นชีวิตที่น่าสงสาร การที่พระเจ้าได้เปิดโอกาสให้เขากลับใจใหม่เห็นได้ชัดๆหลายครั้งหลายคราแต่ถามว่าทําไมเขาไม่กลับใจใหม่ที่ไม่กลับใจใหม่เนื่องจากความแข็งกระด้างของตัวเองที่ไม่กลับใจใหม่เพราะเกิดจากภรรยาเยเซเบลจอมชั่วที่ไม่กลับใจใหม่เพราะเขาพึ่งพาในตัวเองความรุ่งเรือง ของกษัตริย์อาหับทางด้านต่างๆที่ไม่ใช่ด้านศาสนานั้นทําให้เขาคิดว่าเขาสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ต่างๆไว้ได้ชีวิตของเราบางครั้งบางทีก็เป็นเช่นนี้เราคิดว่าเราควบคุมสถานการณ์ต่างๆไว้ได้เราคิดว่าเราฉลาดเราคิดว่าตามสถ า, านการณ์ตามเหตุตามผลตามสิ่งแวดล้อมแล้วเราควรจะชนะและเราไป ฟังผู้เผยโภชนเทศไปกันใหญ่ครับนี่คืออันตรายที่เกิดขึ้นกับลูกของพระองค์ก็ได้บทเรียนนี้เป็นบทเรียนที่คุ้มค่าราคาแพงแต่เป็นบทเรียนที่ไม่มีวันกลับมาหวนคืนได้อีกแล้วก็คืออาหับนั้นก็ได้จบชีวิตลงขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่พวกเราทุกคนต้องระมัดระวังของเก๋ระมัดระวังผู้เผยโพชนเทียมเทศ ระมัดระวังวิญญาณแห่งการมุษาและอย่าใช้สติปัญญาความสามารถของเราในการที่จะทำสงครมฝ่ายวิญญาณด้วยตัวเองครับต้องระวังให้ดีครับต้องพึ่งในพระเจ้าจงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าในพระนรมเอเฟซัสบทที่6ชัดเจนมากอาเมน